บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปอพิชาคือความไม่รู้ซึ่งเป็นรากงาวของกิเลสมีความเข้มข้นที่ลดหลั่นกันลงไปตามอาการที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลซึ่งจะเห็นว่า มันมีการกล่าวถึงพฤติกรรมของสัตว์โลกที่มีการเบียดเบียนประทุษร้ายกันในลักษณะที่เราเรียกว่ามิกระสัน ญ, ญีนั้นเป็นการสะท้อนในเห็นว่าภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นขาดความรู้ความเข้าใจในเหตุผลของการดารงชีวิตเป็นลักษณะที่เราพูดกันว่าไม่รู้บาปุลคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ เพราะ ว, ว่าการเบียดเบียนการปฏริสรายกันนั้นผลสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรมีแต่คนที่เสียเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและในการผายพัดนั่เพราะฉะนั้นก็คือการทําลายชีวิตทําลายทรัพย์สินทําลายสภาพครอบครัวสร้างความแตกแยกการอยู่ร่วมกันในปัจจุบันก็หาความสุขความสงบไม่ได้ และผ บ, บาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำในลักษณะนั้นก็เป็นอกุศลที่จะอำนวยผลให้เกิดความทุกข์สืบพบสืบชาติกันต่อไปอย่างที่พูะเจ้าทรงแสดงถึงโทษของการกระทำความชัว่วเช่นว่าความเป็นคนทุศีล ทรงแสดงไว้ว่าเขาจะรับความเดือดร้อนใจเป็นผลที่เราไปจัในขณะนั้นๆไปในจิตใจของเราเองว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เรามีความผิดพลาดปกคร่องเราก็เกิดความเดือดร้อนใจเข้าไปในสมาคมใดก็มีความหวาดระแวงวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวคนอื่นจะรู้ความผิดพลาดของตน ความบกพร่องของตนมีการจับได้หลายทัานมีการโจท่วงหรืออาจจะมีการจับกลุ่มค่มขังก็แล้วแต่ว่าโทษความผิดเล่านั้นมากขนาดไหนถ้าข่าวคราวเหล่านั้นเป็นที่รับรู้ของคนทั้งหลายก็จะถูกตำหนิตีเตียนชื่อเสียงในทางไม่ดีก็จะฟุ้งกระจายไปลา ม, ปามไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตน แล้วเมื่อก่อนที่จะตายอาศัยที่จิตใจไม่สงบก็จะตายอย่างหลงตายก็ตายด้วยจิตที่ไม่สงบจิตไม่สงบ ก, ก็คือจิตที่ขุนมัวเศร้าหมองด้วยไม่ค่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็ต้องหลายๆอย่างแล้วเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในทุกขติซึ่งตอนนี้เพื่นสังเกตว่าเป็นความเข้มข้นของอวิชชา ที่ทำให้เขาแสดงออกมาทางกายบ้างทางวิจารบ้างเริ่มจา ก, กจิตที่ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้บาปบุญคุณโทษการกระทำของเขาจึงมีผลเดือดร้อนแก่ตัวเขาเองอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยจะดีเพราะทำแล้วเนี่ยจะต้องเดือดร้อนใจ เพราะความกลัวนั้นจะตามไปเผาหลนจิตใจของบุคคลนั้นๆนัน่สร้างความรู้ความเดือดร้อนเราจึงเห็นได้ชัดว่าในส่วนตนเองก็ไม่สบายใจเพราะฆ่าสมาคมก็วันวิถวกังบลพอเป็นที่รับรู้ก็เสียชื่อเสียงลามปาไปถึงวงศาขนาดใหญแต่ตัวความไม่สงบความระรอรคงอยู่ภายในจิต แม้จะตายก็ทําความสงบไปเกิดขึ้นแก่จิตไม่ได้จะตายไปด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ร่าเริงหรือความหมายว่าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะต้องมาเกิดในทุกขติแต่การสร้างความทุกข์ทนชาตปิปัจจุบันทางในชาติและชาติภายภาคหน้าและทําให้จิตวิ ญ, ญญาณตกต่ำลงไปแล้วถามว่าเรื่องเหล่านี้เกิด ข, ขึ้นมาจากอะไร เราก็ตอบว่าเรากเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาคือไม่รู้บาปบุญคุณโทษต่างกลงักษณ ะ, ะเหล่านี้ที่จริงก็มีตัวอย่างเรื่องราวต่งางๆปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งในชีวิตของเราภาพของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นเป็นอาการของโมหะสัตว์เดรัจฉานจึงไม่มีความรู้เดยกไม่มีเดียงสา ก็ทําอะไรไปตามสัญชาติยานแม้จิตวิญญาณโดยสปวนนีน้แตกต่างกันขึ้นไปแต่ยังไงยังไงก็อยู่ในกรอบของความไม่รู้แต่กรอบความไม่รู้นั้นเป็นกรอบใหญ่ถึงแสดงว่าคนสัตว์ทั้งหลายที่ยังหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏนั้นก็ถูกครอบงาด้วยความไม่รู้มากบ้างหน่อยบ้าง ซึงก็ น, นีประชาชนทังหลายจะสังเกตได้ว่าพระยะบุคคลทั้งหลายที่ยิ่งก็มีกลุ่มเดียวที่รู้จริงจนทำลายวิชาได้หมดสิ้นก็คือกลุ่มของพุทธะได้แก่พระราหารันตสัมมาสัพพุทธเจ้าพระปฏิเจกาพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธเจ้าถ้านอกจะกนั้นจะทำลายวิชาไม่หมดใช่ไหมแต่ว่าการจ้างไปเขาหนีชาบางระดับ มันก็เกิดความสวัสดีแก่ตัวในระดับนั้นนั้นท่านยังเปรียบอวิชาเป็นความมืดให้เราตั้งใจถ้าเราเดินใน่าำกลางความมืดที่มืดจริงจริ ง, รงมันจะเป็นอันตรายมากทั้งเท้าที่เราเดินไปอาจจะสะดุดอาจจะหกล้มอาจจะตกหลุมตกบ่ออาจจะเหยียบกับสิ่งน้ำแข็ง ในส่วนตาในส่วนศีรษะก็อาจจะกระทบอะไรข้างบนในส่วนของร่างกายก็อาจจะกระแทกทิ้งนั้นทีน้นี้ภาพของอาการทุรักทุเลที่เดินไปทํำกลางความมืดเราก็เห็นได้ชค่แต่ความมืดตอนนั้นที่จริงเราข้าใจดได้ง่ายถ้าจะไม่มีแสงสว่างอะไรอยู่เลยเราก็นั่งรออยู่ตรงนั้นปเดี๋ยวก็สว่าง แต่ความมืดที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ใช่มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นความมืดที่ถาวรชั่วนิรันดนรตราบใดที่เรายังทําลายเขาไม่หมดสิ้นในที่ทดลองความมืดระดับที่เรียกว่าสว่างบ้างหรือสมุขขมัวมันก็ไปไหนมาไหนได้พอสมควรแม้จะมีอันตรายอยู่บ้างก็น้อยหน่อย ก็เมือนว่าคนเราที่สามารถใชเหตุผลสติปัญญาได้ระดับหนึ้งมันก็ช่วยตัวเองได้อย่างที่ทรงแสดงความสุขระดับของมนุษยบัติประเห็นว่าประชาชนทั่วไปหรือสามัญชนโดยทั่วไปนั้นไม่มีใครรู้จริงแต่ว่าเขาอยู่ในถ้ากลางอากาศที่ไม่ใช่มืดทีเดียว ก, ก็สามารถดําเนินชีวิตไปได้ถูกบ้างผิดบ้างหกล้มหกลุกไปบ้าง แต่ก็หาความสุขได้ดีกว่าอยู่ท่ามกลางความมืดแต่เมื่อถึงมาถึงอีกระดับหนึ่งนั้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับตอนเช้าเชมาก็มองรอบตัวก็เห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึนจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็มีความติดลาดน้อยลงสติปัญญาที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าปริบาลเขาเพิ่มขึน เราก็จะเข้าใจเหตุผลลึกซึ้งมากขึ้นมีความละเมือระมัมากขึ้นครานี้ท่านปาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าธรรมะปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างระดับศีลเช่นตัวอย่างศีลศีลข้อแรกก็ได้ต้าว่าคนเราไม่มีความรอบรู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนอกจากจะ ฆ่าสัตว์แล้วยังอาจจะถูกสัตว์ฆ่าด้วยแต่ถ้าพอเรารู้อะไรมากยิ่งขึ้นเราสามารถหลีกเลี่ยงสัตว์ที่เป็นไฟเป็นอันตรายได้บางครั้งแม้จำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ก็ใช้วิธีที่ไม่รุนแรงเกิจะทำเพียงเขาสลบไปหรือบาเดเจ็บไปเพื่อตัวเองจะได้หนีให้รอดปลอดภัยเท่านั้น นันแสดงว่าถ้าเทียบกันสองระดับระดับนี้มันก็อวิชามันน้อยกว่าการกระทาเขาก็เป็นบาปน้อยกว่าไม่จะเป็นอันตรายแก่สัตว์แต่ก็ไม่ถึงกับตายหรือบรรพามาค้าก็หาวิธีที่จะหลอกสัตว์ตอนนั้นไปขังไว้ไปกักไว้เพื่อไม่เกิดเป็นภัยเป็นอันตรายแล้วก็บาปไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ ในการกักตังมีการหน่วงเหนียวกักขังหน่วงเหนียวทรมานทุรกรรมแต่ในเงี้บบาปมันก็บาปแต่บาปก็ลดลงไปพฤติกรรมที่ยกมาทั้งหมดนั้นถึงสังเกตว่ามันก็อยู่กับการใช้เหตุผลที่เหมาะที่ควรในกรณีท่านั้นทีนี้ถ้าหากวสติปัญญาเรามีมากขึ้นเราจะคิดสมเหตุสมผลมากิ่งขึ้น สัตว์บางอย่างเป็นพวกยุงพวกมดพวกปวกพวกอะไรต่างๆที่ตะะิดซึ่งบางครั้งในเราอ้านเหตุผลก็ไม่พอแต่การฟังเช่นไปนยุงกัดก็ตกตายหรือพวกขึ้นบ้านก็ข่าให้ตายมดตายตัวเราก็ค่าให้ตายตรงนี้ถ้าเราหยุดคิด หมายความไม่ถึงจะทำลายวิชาได้หมดแต่ก็มีความคิดขึ้นมาเป็นแสงสว่างไปเกิดขึ้นเหยียดผลเพิ่มขึ้นเราก็จะคิดต่อไปว่าที่ยุมงกัดเรานะ่กกัดเพราะอะไรก็โกนเครื่องอะไรเราหรือเปล่าก็เปล่าคือเขาตัดใจว่าเป็นอาหารสฏิฉันก็ไม่รู้อะไรเขาก็ถือว่าเป็นอาหารเขาก็มาขออาหารกิน เพราะเราคิดกลับอีกทีหนึ่งวสมมติว่าเราไปขออาหารใครกินอิ่มเลี้ดูอย่างดีให้อาบพระอาบท่าอย่างดีเสร็จแล้วก็ให้กินอาหารแล้วข้าเราตายเป็นความพอใจยินดีหรือเปล่าเราก็ตอบได้ทันทีเพราะความคิดแนวศีลจึงมีอวิชชาแต่ว่าคิดกลับมาความว่ามองจากการกระทําของเขาเชื่อมกับเราเราเชื่อมกับเขา สิพเจ้าทรงใช้กคำอัตานังอุปมางกัตวาน ะ, ะเมยะนะคาเตเยจะทาตนเป็นอุปมาแล้วก็ไม่ฆ่าเองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าในแง่งการเด็ดเบียนก็พูดถึงความเจ็บปวดแล้ถ้าใครมาทำเราเจ็บปวดที่เราชอบหรือเปล่าเราก็ตอบได้ว่าเราไม่ชอบถ้าเราทำให้คนอื่นเจ็บปวดเขาก็ไม่ชอบตระเตรีารเราก็เห็น พอเขาวิ่งหนีเขาแสดงความหวาดกลัวบางทีก็ ว, วิ่งจนไม่ได้กลัวใครกลัวอันตรายมันแสดงเหตุรสนธิหมายมันก็กลัวของมันเ ข, าาเขคิดเนเรื่องศีลจึงเกิดขึด้นก็มองกลับไปกระปพาะได้อย่างนี้แต่ไม่ได้มือหมายความมาทํำลายวิชาได้หมดสิ้นหรือพฤติกรรมของอวิชาที่งแรง ที่ปรากฏในหมู่สัตว์ดิชาติทปรากฏในหมู่คนปรากฏในหมู่คนก็คือการฆ่าการตลุมบอลการกระราชจนอะไรต่างๆตลอดถึงศึกสงครามเสร็จแล้วก็ไม่มีคนได้ก็มีแต่คนเสียตัวน้องสาดน้ําก็หาการราดกลใส่กันหรือคนที่โวนปืนกันเนี่ยภาพเราเห็นในชารบเป็นอากาศของวิชา ความโง่เขางงงายถ้ามองในแง่ว่าให้ตายเราจะยิงหรือไมย่ยิงเขาก็ตายแล้วการไปยิงอย่างนั้นมันก็หายเรื่องให้ตัวเองตายด้วยมันก็ขัดขัดแย้งกับความรู้สึกหรือความคิดที่เรียกว่าทุกชีวิตนั้นรักษาตนขนมตนห่วงใหญ่ตนแต่การกระทำแบบนั้นเป็นการประทุษทลายต น, ตนภาพของสัตว์บางชนิดเช่นแมลงมาา้าเป็นข้าวของไฟ เป็นภาพสะท้อนเห็นตึงอวิชชาที่ชัดเจนเพราะาตร์เหล่านั้นแก่ร้าเดียงสาแกมืดบอดแกไม่เหตตาผลอะไรจะไม่เข้าใจเกลื่อนบินลงไปตายเกลื่อนแกก็บินตามลงไปตายซึ่เราจะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมท่ามกลางการปิดหูปิดตาของวิชา ความทุกข์ต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นมาในยุคของพระพุทธเจ้าหรือก่อนหน้านั้นนานไกลเป็นความทุกข์ที่ไม่มาจากสาเหตุเดียวกันกับที่เกิดแก่คนในขณะนี้หรือแม้ในขณะต่อๆมาตลอดถึงในขณะต่อๆไปแต่ทำไมยึงเกิดซ้ำๆซักซ้นดูข่าวคราวต า, างหนันงสือพิมไม่มีอยู่เพียงห 6, 7กเจ็ดข่าวเท่านั้นเอง มีขาที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษรา้รรายในทางเพศการกล่าวหาด่า ว, ว่าใส่ร้ายใสสีกันเหน็บแนมกันยุยงให้เกิดความแตกแยกกันมีปัญหาเรื่องเรื่องผิดเรื่องจําหน่ายเรื่องมีไว้ในครอบครองเรื่องเสพสิ่งเสพติดซึ่งก็หมุนบนกันอยู่อย่างนี้ มีข่าวทุกวันมีการจับกลุมคนกันทั้วันถ้าถามมาจับกลุมเพราะอะไรก็เพราะเรื่องแบบนี้ถ้าถามว่าทํำไม่จึงเกิดเรื่องแบานี้ขึ้นแล้วก็สาวกลับไปสู่จิตใจของเขาว่าจิตใจของเขานั้นกรอบด้วยอวิชชามีความมืดบอดในการใช้เหตุผลของการดํารงชีวิตทําไปแล้วก็ เป็นเหมือนที่โบราณที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ า, สส า, าปลาคุณทวนลงหรือที่กติไทยเราพูดว่าถมน้ำาหลายรถฟ้าหรือข้างงูไม่พ้นขอนี้ก็คือหลักการสอนที่บอกให้เห็นว่านั่นคืออาการของวิชาวิชาบางอย่างขอให้เกิดการสยบติ ไม่ได้มองสิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่ตัวรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ล้วเข้าใจว่าตรงนี้มันก็สูงสุดแล้วอย่างที่เราพูดถึงกบอยู่ในสระเป็นาการของอวิชชาที่ความมืดบอดเข้าใจว่าโลกของสุสระนอกจากสระไปแล้วก็ไม่มีสระไม่มีอะไรเพราะงั้น รสชาติความคิดความอ่านทั้งหมดมก็แคบไม่ยอมรับรู้อะไรไม่ยอมเข้าใจอะไรทุกอย่างนอกจากศาสร์แล้วตัวเองก็ปฏิเสธหมดนั่นคืออาการของวิชาในการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารด้า น, านต่างเพราะอะไรเพราเราไปยึดติดไปแล้วเข้าใจว่ามีท่านนี้อย่างที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าอิดามีวัสดังโมขับมันอย่างอย่างนี้ท่านนั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้อง เพราะอะไรพราความจำกัดจำเขี่ยของประสบการณ์เราพูดไปตามประสบการณ์ทิโลก น, นิิตบอกไว้ว่ารู้น้อยว่ามากรู้เรื่องใจคนกบเกิดอยู่ในสะจ่อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมงบคิดว่าน้ำบ่อน้อยมากล้ำลึกโด อ, อลักษณะอย่างที่โบราณท่านเล่าเป็นนิทานประเทียบ พ็มีสหายสองคนกันหนึ่งทำความดีงามไปมาคนหนึ่งประพฤติในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่ก็รักใคร่สนิทสนมกันมากต่อมาทั้งสองคนตายไปคนหนึ่งเกิดเป็นเทวดาคนหนึ่งเกิดเป็นนอนไอคนที่เกิดเป็นเทวดาก็ต้องการที่จะดึงเพื่อนมาเป็นเทวดาด้วยเราเข้าใจว่าเทวดาก็เป็นสุขละ จะมีเทพาเนตตรวจสอบดูก็เพราเพื่อนไปเกิดเป็นหนอนก็ไปชักชวนพยายามอธิบายวิธีการต่างๆที่จะให้หนอนตัวนั้นนี่ยทำความดีแล้วก็เกิดเป็นเทวดาแต่นอนก็ไม่ยอมพอเทวดาอธิบายอะไรก็ตามแกก็ถือว่าที่แกมีอยู่เนี่ยก็ดีแล้วทั้งนั้นในทสุดก็ไม่ยอมไปตรงนี้เราเห็นอวิชชาสองระดับ อวิชชาระดับหนอนนั้นเป็นอวิชชาระดับที่มืดบอดมืดบอดระมากๆยินดีพอใจติดใจในความเป็นสัตว์เทชาติแต่ว่าเทวดาที่เข้าที่ไปคิดว่าตรงนี้มันสูงสุดแล้วมันยอดเป็นบรมสุขแล้วมันก็ผิดเป็นความผิดที่เป็นอวิชชาเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าเขากลับไปเปรียบเทียบกับความมืดต่างๆแล้วแบบนอนนั้นก็คือมือดตือจริงๆแต่วเทเทวดานั้นที่จริงอากาศก็เริ่มสว่างขึ้นสามารถมองเห็นอะไรได้มากจริงขึ้นแต่ว่าการเป็นเทวดาไม่ใช่บรมสุขเทวดานั้นก็ถือว่าทิพยสุข อาศัยการปนปลื้มบำรุงบำรเรือด้วยวัตถุการอีกการยืรย้อแย่งสแสวงหาขวายความปราถนากำหนัดเพลิดเพลินในรูปสวยๆเ ส, สียงไพเราะกลิก่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเทวดาท่านยึงเรียกว่าสวรรค์ท่านจึงเรียกว่าอารมณ์มันเลิกท่านนั้นเองด้านในที่สุดเทวดานั้นก็อาจจะทำบาปแล้วก็ตายจากเทวดาก็อาจจะตกนรก เพราะนันเป็นคติชีวิตที่ไม่แน่พระเจ้าทรงสอนเรื่องสวรรค์จริงแต่ไม่ได้สอนให้ติดที่สวรรค์สอนแลักษณะเป็นบันไดเป็นทางผ่านที่เราจะเดินไปเพื่อสู่กระแสของพระนิพพานั้นเราจึงพบว่าคําสอนที่ทรงสอนเช่นคาสอนที่พูดมากสอนมากที่สุดจํานวนบาลีตนนี้กว่าพราณาศาสนี คือคำสอนที่สอนบ่อยๆสอนซ้ำแล้วซ้ำอีกปรากฏอยู่ในคำภีพระพุทธศาสนามากมายเลยทีน่นคือสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลทานศีลเป็นการขาจัดกิเลสส่วนใหญ่แล้วผลมันก็ปรากฏในปัจจุบันเขาเรียกว่ามนุษยสมบัติ ศีลประการให้ทานคือการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอภมารีมีน้ำใจต่อกัดมิตรจิตมิตรใจกัดคนก็มีความรักใคร่สนิทสนมเคารพนับถือการดำรงคนแก่ฐานะศีลมการยุติเวรภัยสงสารตับเวรภัยตัดกระแสของเวรของภัยซึงหมายความได้จะไปกว่านั้นมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มความประณีตมากขึ้น การรักษาสารให้ธาการรักษาศีลให้ความสุขในปัจจุบันแล้วก็ให้ความสุขระดับสวรรค์แต่ว่าสวรรค์ น, นั้นเป็นของไม่เที่ยงเห็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาตำนานเทพนิทานเทพนิยายของอินเดียก็เล่าถึงการรบการต่อสู้การยื้อแย้ง องเทวดาเหล่านั้นก็ดีกว่ามนุษย์แต่ไม่ใช่ดีที่สุดเพราะพระเจ้าจึงทรงสอนเรียกว่ากามนทีนก็อสอรสวรรค์แล้วก็สอนโทษของกามเพื่ออะไรเพื่อมองคนก็มองเห็นว่าถ้ากามนั้นจะเป็นที่เป็นมนุษย์เป็นอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเร่งร้าวกิเลส ในขณะที่มีความรักถ้าลองสังเกตตึกๆึกแล้วเนี่ยมีความห่วงมีความมิโตกังวลมีความไม่ชอบที่เรียกวปฏิฆะก็แอ บ, บแอ บ, บกันอยู่ตรงนั้นเองที่เราสามารถตรวจสอบจิตใจของเราได้เช่นว่าของที่เรารักหรือคนที่เรารักเราเวลาเข้าไปไหนมาไหนเราจะมีความมิโตกังวลทวงใหญ่ กลัวไปกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแก่คนอันเป็นที่รักของเราในขณะเดียวกันถ้ามีคนอื่นมาเกี่ยวข้องมาพูดจาหรือจะเกิดความไม่พอใจความไม่ชอบใจแล้วก็อาจจะนำไปสู่การกระทาบาปถึงกับพฤติกรรมเหล่านี้เราก็พบตามข่าวคราวสือ่อิ่มดูเป็นอันมากนั้นแสดงให้เห็นถึงความจริง เพาบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าใจว่าให้ความสุขเนี่ยเทียบแล้วปริมาณของความทุกข์เขามากกว่าในส่งแสดงสั่งสอนเตือนสติเอาไว้ว่ากรารนี้มีสุขแต่ว่าสุขน้อยมีทุกข์มากกว่าไม่ว่าจะในช่วงของการแสวงหาในช่วงของการครอบครองในช่วงของการดูแลรักษา ในช่วงว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพของเขาลึกๆมันก็มีความมีตกมาาักังวลห่วัญใจหวาดผวาสะดุ้งกลัวภยัยตัวอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอาการเหล่านี้ตราบใดที่ยังมีวิชาอยู่มันก็ถือว่าเป็นอัศถะคือความยินดีเพลิดเพลินสนุกสนาน แต่การเป็นการเพลิดเพลินสนุกสนานในลักษณะหนอนแกเพลิดเพลินกัแกยอยู่ยงนันผลสุด ต, ตัวเองก็ต้องตายแต่สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินให้ความสนุกสนานแกเราก็คงอยู่ในโลกนี้แต่ว่าการทยกจะจัดจริงๆมันก็จัดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแนวคาสอนอภิสานาจจึงมีรูปเป็นบันได ที่ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติทั้งหลายเมือก็ต้นไม้เมื่อก็คนเมื่อก็สัตว์ในส่วนของกายจะภาพาแต่เช่เมั่ก็โตไปเรื่อยๆแต่ไม่จะพูดพลาดมันมีลักษณะพูดพลาดก็โตกันไปการโตในตอนแรกๆนั้นก็เป็นการสร้างหลักให้แก่ตัวเองสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ จะในการโตของต้นไม้เราจะพบว่านในตอ น, นแรกเราก็อิงอาศัยเขา้าวข้าวข้าวก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นก็เริ่มจะยืนหยัดในตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมก็มาช่วยมากนะักจนถึงไม่ต้องอาศัยในหลายๆระดับและกิ่งก้านสาขาเหล่านั้นก็แตกออกไปก็ให้ร่มเงาแก่ตัวเอง แล้วก็เป็นสื่อที่จะํำอาหารมาหล่อเลี้ยงตัวเองได้มากขึ้นเมื่ออยู่ในจุดที่พร้อมจะอำนวยประโยชน์แก่บุคคลอื่นก็เริ่มแตกดอกออกผลดอกผลนั้นนอกจากจะเป็นการสืบพืชพันธุ์ของตัวเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นชีวิตคนเราก็มีลัทษ า, าอย่างนัน้คำสอนในทางพุทธศาสนาท่านยังเรียกว่าศิกขาบทเบลก้าวขั้นของการศึกษา เป็นแนวของแนวของบันไดที่เดินไปดี๋ยนี้กล่าวไว้ในตอนต้นว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องการลดความรุนแรงของวิชาและขณะเสริมสร้างให้คนเข้าใจคิดรู้จักคิดแล้วน้อมเข้ามาหาตนน้อมตนไปหาขาน้อมขามาแล้วซึ่งการคิดแนวนี้แม้ในเรื่องอื่นกลุ่มอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกัน เป็นกลุ่มของความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรา ก, รากที่ทรงสอนและพิจารกก็มองกลับไปกระป่าเหมือนกันมองคนแก่คนอื่นๆต้องแก่สิ่งทั้งหลายต้องแก่และเราเองก็ต้องแก่ญาติพี่น้องเราก็ต้องแก่คนที่เรารักก็ต้องแก่คนที่เราช่างก็ต้องแก่ก็จะก่อให้เกิดความไม่ประมาทไม่ต้องไปทําอะไรกับคนที่เราช่างเพราะเขาก็แก่เหมือนกันไปเดียวก็ตายเหมือนกัน ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรกับคนที่เรารักมากเกินไปเพราะยังไงเขาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเราเองเรายังช่วยตัวเราไม่ได้ถ้าภาษาอะไรจะไปช่วยคนอื่นไม่ใะก่ก่อให้เกิดอาการที่ปร่งตกแต่ไม่ใช่ปร่งตกแล้วนั่งซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากในชีวิตเราค่อยวันตายไม่ใช่อย่างนั้นจะเป็นการใช้ความเพียรพยายามในลักษณะคน จะอยู่ในบ้านเรือนซึ่งไฟกำลังลุกลามไม้มาก่อนที่ไฟจะม้บ้านเรือนกร็รีบหยิบหยิบชวยหยิบเอาอะไรที่มีค่าออกมาให้ได้เพราะบ้านเรือนนั้นเราจะเอาอะไรเข้าไปได้เพราะเขาถูกไฟไหม้แน่แล้วร่างกายเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราใช้เป็นที่อิงอาศัยในการเสริมสร้างความดีและในสุดเราก็ต้องทิ้งเข้าไป อย่าแนะที่สรงสอนนะยี่พิจารนาว่าร่างกายนี้ไม่นานน อ, อกจกลม้ลมลงเหนือแผ่นดินพระวิญญาณออกจากร่างแล้วมันก็เหมือนกระถางไม้ที่หาสาระแก่สารอะไรไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นการลดพวกกระแสะของวิชาหมายความวิชา ย, ยังมีอยู่แต่ว่าแสงสว่างมันก็เพิ่มขึ้นเราเห็นทิศเห็นทางเห็นถนนน้นทางเห็นบ่อน้ำลาคลองเห็น ไอ้หลุมบอกฝากน้ําอาจจะไม่เห็นบางอย่างฝากน้ําเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เห็นแต่ไงมันก็ปลอดภัยปลอดอันตรายมากอยู่รำมาปฏิบัติในทางศาสนาที่จริงทุกข้อเมื่อพูดถึงส่วนของกุศลธรรมแล้วถ้าเราเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพิ่มเพิ่มผูนขึ้นมาไปในจิตใจได้ก็จะทําทหน้าที่กระจัดบรรดาสัพเพกิเลสทั้งหลายซึ่งมีรากง่ามอวิชชาแล้วขจัดไปถึงอวิชชาด้วยกัน เพียงแต่ว่าขาจัดได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองยังไงก็ตามด้วยการลดของวิชานั้นคือการเพิ่มของวิชาเปงการเพิ่มก็ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปการเพิ่มของปัญญาความสุขและความเมตตากิดนาซึ่งจะอํานวยผลเป็นความสุขความสงบความเยือกเย็นไปในจิตใจไปในชีวิตของบุคคลได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของเขาเรานั้น ต่อจนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป